เหนือเขาขึ้นไปคําว่าที่เกิดคือที่เกิดในบริเวณนั้นที่ชื่อว่าฝีได้แก่ฝีชนิดใดชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าบาดแผลได้แก่แผลอย่างใดอย่างหนึง่งคําว่าไม่บอกคือไม่แจ้งให้ทราบที่ชื่อว่าสงฆ์พระผู้มีพระภาคตรัสหมายถึงภิกษุณีสงฆ์ที่ชื่อว่าคณะตรัสหมายถึงภิกษุณีหลายรูปที่ชื่อว่าชายได้แก่มนุษย์ผู้ชายไม่ใช่ยักษ์ไม่ใช่เปรต ไม่ใช่สัตว์ดิเรกชันตัวผู้แต่เป็นมนุษย์ผู้ชายที่รู้เรียงสาสามารถที่จะทำไม่ดีไม่ร้ายได้คำว่าด้วยกันคือด้วยความเป็นอันเดียวกันคำว่าสองต่อสองคือบุรุษและภิกษุณี1065พิภิกษุณีสั่งว่าจงบง่งต้องอบัตทุกกฎเมื่อบ่งเสร็จต้องอบัตปาจิตติภิกษุณีสั่งว่าจงพาต้องอบัตทุกกฎ เมื Remember, ่อพาเสร็จต้องอบัตปลาจิตตีภิกุณีสั่งว่าจงชาล้างต้องอบัตทุกกฎเมื่อชาล้างเสร็จต้องอบัตปาจิตตีพิกษุณีสั่งว่าจงทาต้องอบัตทุกกฎเมื่อทาเสร็จต้องอบัตปลาจิตตีภิกษุณีสั่งว่าจงพันต้องอบัตทุกกฎเมื่อพันเสร็จต้องอบัตปาจิตตีภิกุณีสั่งว่าจงแกะต้องอบัตทุกกฎเมื่อแก่เสร็จต้องอบัตปลาจิตตี